เดินจงกรมเป็นการตั้งสติแบบเคลื่อนไหวถ้าหากเดินจงกรมไม่ถูกวิธีตั้งมุมมองไว้ไม่ถูกจะมีความรู้สึกว่ายิ่งเดินจิตยิ่งเบลอจิตยิ่งฟุง้งบางคนตั้งมุมมองไว้ไม่ดีแต่ใช้ลูกอึดเอาเช่นต้องเดินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปจริงๆไม่ใช่นะครับการใช้ลูกอึดมันไม่ได้ดีทุกครั้ง จะนานๆทีฟรุกทีแต่ถ้าเดินจงกรมแบบมีหลักมีที่ตั้งของจิตที่ชัดเจนเช่นเดินไปเนี่ยสังเกตฝ่าเท้าที่กระทบกับพื้นเดินแค่นาทีสองนาทีจะค่อยๆเห็นจุดศูนย์กลางของการรับรู้ว่ามีอยู่ชัดๆยิ่งวันจะยิ่งก้าวหน้าจับจังหวะเท้ากระทบ คือฐานที่ตั้งของการรับรู้ฟังดีๆนะครับไม่ใช่ไปเพ่งความรู้สึกที่ฝ่าเท้านะถ้ารู้แค่ฝ่าเท้ากระทบเฉยๆยังไม่ถือว่าสติจะเจริญได้หรือว่าสมาธิจะได้ที่ตั้งแต่ถ้าจับจังหวะฝ่าเท้ากระทบกับพื้นแปะแปะแปะไปบางทีมันช้าลงบางทีมันเร็วขึ้นไม่คงเส้นคงวา ถ้าเราจับจังหวะกระทบได้และจังหวะกระทบนั้นอยู่ในใจเราได้สักรอบสองรอบจะเกิดความรู้สึกว่ามีฐานที่ตั้งของการรับรู้ขึ้นมาหยุดเท้าเสมอกันและหมุนเท้าสองจังหวะคนส่วนใหญ่กลับตัววาบเลยมันก็จะมีช่วงที่งงๆแต่ถ้าหากว่าถึงจังหวะหยุด เราหยุดเท้าเสมอกันเสร็จแล้วหมุนเท้าทีละครึ่งเป็นสองจังหวะเหมือนตอนเรียนลูกเสือเนตรนารีเราจะรู้สึกถึงจังหวะของเท้ากระทบต่อเนื่องเดินจงกรมไปแล้วไม่งงยิ่งมีความนิ่งมีความรู้สึกถึงเท้ากระทบมากขึ้นแล้วคุณจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าทั้งตัวมันถูกรับรู้ไปเองโดยไม่ต้องพยายามโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเกรง จังหวะเท้ากระทบนำไปสู่การเห็นจิตฟุ้งซ่านพอเริ่มจับจังหวะเท้ากระทบได้และจิตอยู่กับจังหวะกระทบนั้นคงเส้นคงวาอยู่เวลาที่จิตจะมีอาการเช่นฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ชอบที่ชินหรือเกิดอยากจะคิดโน้นคิดนี่ขึ้นมามันจะเหมือนมีอาการต่างกันออกไปมันจะเห็นอาการที่อยากจะแล่นออกไปฟุ้งซ่านเห็นว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ จิตมันเป็นแบบนี้จากเดิมที่จิตวิเวกนิ่งๆว่างๆสงบราบคาบรู้สึกพอใจอยู่กับการรู้สัมผัสกระทบแต่สักแปบบ๊ตามธรรมดาตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็มีอาการก่อตัวพายุความฟุ้งซ่านขึ้นมาอยากได้นอนอยากได้นี่แบบเก่าตรงนี้เป็นการเริ่มได้ข้อสังเกตความไม่เที่ยงขึ้นมาจิตเดี๋ยวมีขึ้นมีลง สำหรับผู้ที่ยังจับจังหวะฝ่าเท้ากระทบไม่ได้เช่นมือใหม่เดือนจงกรมเนี่ยแนะนำให้ลองวิ่งหยอกยอหรือว่าวิ่งสายพานดูแลจับความรู้สึกว่าจังหวะเท้ากระทบให้ความรู้สึกอย่างไรน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเราสังเกตได้ถ้าไม่น่าพอใจเท้าจะแข็งแข็งตัวจะเกรง็งเกร็งแต่ถ้าน่าพอใจเท้าจะอ่อนสลวยตัวไม่เกรง็ง ใจผ่อนคลายจังหวะกระทบแปดแปแปชัดเห็นสุขทุกอันเกิดจากการวิ่งจงกรมได้นี่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันแค่รับรู้ความจริงในขอบเขตกายใจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นจะรู้สึกว่าเออจริงด้วยความไม่เที่ยงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแต่เราไม่เคยสังเกตเพราะมีโมหะปิดบังไม่ให้เห็น โมหะเกิดจากความอยากโน่นอยากนี่นี่แหละปุงซานจะเอาอยัางไงดีปุ้งซานจะแก้แค้นเอาคืนท่าไหนปุงซานวันนี้จะกินอะไรพอเห็นความไม่เที่ยงได้แม้แค่ครั้งแรกก็เหมือนเกิดความรู้สึกตาสว่างขึ้นมาที่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องแคร์ต้องหวงเส้นนักหนาหรือว่าต้องเอาให้ได้มันเหลวไหล มันไร้แก่นสารทั้งเพนี่แหละตัวนี้แหละที่เดินจงกรมแล้วถือว่าไปถึงจุดที่แสดงความไม่เที่ยง